เ, ออเดินผ่านก็ใค้ได้จบลนะกอนหน้านี้ภาวนาเนี่ยดูแต่จิตทิ้งกายไปแล้วก็กาลังไม่พอบอกให้ย้อนมาดูกายบ้างอย่าทิ้งร่างกายกายมันเป็นของหยาบเวลาดูแล้วมันได้แรงจิตมันเป็นของละเอียดนะันถ้ากําลังเราไม่พอดูไปแล้วมันเพลินเพลินย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 รู้สึกกายรู้สึกใจโดยที่ไม่ได้จงใจรู้สึกก็ดีสิรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้รู้วพราะจิตมันจําสภาวะได้ก็รู้สึกขึ้นมาพอท่านไปคิดบอกว่าเอ๊ะเราทำอะไรมาว่ามันถึงดีค้นคว้าใหญ่หาวิธีทำเนี่เลยไม่ดีเลยเพราะพยายามจะทำ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 อ ย, อย่าคิดมากเราคิดถึงคนที่ดีๆมีคุณงามความดีจิตใจเรามีความสุขใช่ไเราไปคิดถึงผู้ร้ายเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขพอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบเนะนี่ยคือสมถาละสมถะที่ง่ายๆหรือทำอะไรก็ไม่เป็นนะไปดูลิมแม่น้ำที่เขามีปลาให้เลี้ยงซื้ออาหารให้ปลากินบ้างอะไรบ้างทำทาน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 หายไปพันศาหนึ่งนะกลับมามาบอกหลวงปู่ผมหยุดคิดไม่ได้เลยหลวงปู่แล้วไปคิดอะไรคิดว่าทํำยังไงจะหยุดคิดได้นคิดมาหนึ่งพันศาไม่ได้เรื่องเลยอยากได้เรื่องได้ราวก็รู้สึกเอารู้สึกกายรู้สึกใจเห็นในร่างกายนของปรุงแต่งอะไรเป็นความปรุงแต่งของกายรู้ไหมอะไรคือกายสังขารลมหายใจลมหายใจเป็นกายสังขาร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 ใจก็ปรุงต่อเลยอ่ออีนี่โคงแชร์เราเมื่อ25ปีก่อนลืมไปนานแล้วนะอยู่ผุดขึ้นมาอีกอันหนึ่นงก็สังขารความคิดนั่นเองคิดได้ทั้งวันทั้งคืนคิดไม่เลิกความคิดนั่นแหละตัวปรุงแต่งความคิดนี่เป็นหัวโจรุงแต่งนยกว่าอาพสังขารมานเป็นระดับมานระดับอภิมานไม่ใช่มากระจกเ น, นี่ยความปรุงแต่งนะทางกาย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 ไปรู้กายก็เพ่งกายรู้จิตก็เพ่งจิตตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็กําไรแล้วพี่แอดชาตินี้ทามาถึงตรงนี้ได้นะเกิดไม่ได้มักได้ผลชาติหน้า ง, ง่ายแล้วชาติน่า ง, ง่ายเกิดมาทันเป็นลูกศิษย์หลวงตาอาสมมติฟังธรรม ท, ทีหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาแล้วจะง่ายไปเชิญทานข้าวไป